การทำสิ่งนี้เท่ากับการใช้สิ่งซึ่งเป็นพุทธให้เที่ยวสแสวงหาพุทธและการใช้จิตให้เที่ยวจับฉวยจิตแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะพยายามถึงสุดความสามารถของเขาอยู่ตั้งกับหนึ่งเต็ ม, เ, ตมเขาก็จะไม่สามารถลุกถึงพุทธภาวะได้เลยเขาไม่รู้ว่า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 จิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุท ธ, ธไม่มีพุท ธ, ธะอื่นใดที่ไหนอีกไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีกมันแจ่มจ้าและไรตําหนิเช่นเดียวกับความว่างคือมันไม่มีรูปร่างและปรากฏการใดๆเลยการใช้จิตของเราปรงแต่งคิดฝันไปต่างๆนั้นเท่ากับเราละอิงเนื้อหาอันเป็นสาระเสีย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 ที่คล้ายคลึงกันอีกเป็นจํานวนนับไม่ถ้วนด้วยเจตนาที่จะไปเป็นพุทธสักองหนึ่งนั้นเป็นการปฏิบัติชนิดคืบหน้าทีละขั้นทีละขั้นแต่พุทธะซึ่งมีอยู่ตลอดการดังกล่าวแล้วนั้นหาใช่พุทธะที่ลุกถึงได้ด้วยการปฏิบัติเป็นขั้นๆันเช่นนั้นไหมเรื่องมันเพียงแต่ตื่นและลืมตา ต่อจิตหนึ่งนั้นเท่านั้นและไม่มีอะไรที่จะต้องบรรลุถึงอะไรนี่แหละคือพุทธะที่แท้จริงพุทธะและสัตว์โลกทั้งหลายคือจิตจิตหนึ่งนี้เท่านั้นไม่มีอะไรอื่นนอกจากนี้อีกแล้ว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 ว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่บริสุทธิ์ผ่องใสและรู้แจ้งก็ดีหรือมองดูสัตว์โลกทั้งหลายว่าเป็นผู้แสดงออกซึ่งความปรากฏของสิ่งที่โง่เง่ า, งามืดมนและมีอาการสลบสลายก็ดีความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้อันเป็นผลเกิดมาจากความคิดยึดมั่นต่อรูปธรรมนั้น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 บทอ่านเนี่ยก็ยาวสี่สิบสามนาทีผมก็ามาตัดเป็นท่อนๆตามเรื่องสั้นๆเพราะว่าเวลาเราฟังจะได้วนกลับไปฟังได้ไม่งั้นถ้าสี่สิบสามนาทีรวดเนี่ยคือพอไม่รู้เรื่องต้นปั๊บก็ไม่รู้เรื่องหมดเลยนะแต่อย่างน้อยได้ แบนเป็นช่วงๆมืงที่อยากจะกลับมาฟังอะไรตรงนี้ก็ทำได้คือขั้นแรกเราต้องเข้าใจคำก่อนจิตกับพุท ธ, ธะถ้าเราไม่เข้าใจสองคำนี้เนี่ยเราฟังไปยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพุท ธ, ธะคืออะไรที่เราท่องพุโทโธพุธโทโธ คืออะไรแล้วพุทธะที่ท่านพูดถึงทั้งเยอะแยะและพุผู้จิตคือพุทธะจิตคือพุทธะเต็มไปหมดเลยคืออะไรพุทธะก็คือสภาวะที่รู้แจ้งตรัสรู้ขึ้นมาที่บอกรู้ตื่นเ บ, บิกบานสะอาดสว่างสงบ ก, ก็แล้วแต่จะพูดว่าปัญญิจะว่ายังไงแต่ก็คือสภาวะที่จิตหลุดพ้นแล้วจิตคือพุทธะสภาพนั้นเนี่ย คำว่าจิตจึงครอมอยู่สองสภาพคือสภาพของคนธรรมดาที่ยังหลงอยู่ด้วยรูปธรรมทั้งหลายยังมีความคิดการคิดปรงแต่งอยู่กับอีกสภาพหนึ่งก็ยังใช้เรียกจิตอยู่ในสภาพที่หลุดพ้นแล้วเพราะว่าไม่มีชื่อเรียกอื่น แต่ครูบาอาจารย์ก็เลยต้องเปลี่ยนศัพท์เพื่อไม่ให้สับสนก็คือเป็นคําว่าจิตหนึ่งบ้างเพราะว่าอย่างหลวงปู่ล่าก็เคยพูดเอาไว้ในซีดีว่าเมื่อก่อนก็เรียกคุณหนูแต่พอโตแล้วจะเรียกคุณหนูก็กระไรอยู่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อเรียกมันจะเรียกคุณหนูคือตอนที่จิตยังโง่เนี่ยก็ ยังไม่พุท ธ, ธะยังมีอวิชชาอยู่แต่พอเป็นพุท ธ, ธะแล้วเกิดเป็นวิชาแล้วเนี่ยจะเรียกคุณหนูก็ใช่ที่ก็เลยต้องเรียกจิตเดิมแท้คือก่อนที่จะโงะ่แต่จะบอกว่าก่อนที่จะโง่ทีเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าวันนี้พอเกิดเป็นพุท ธ, ธะแล้วจะบอกว่าเหมือนเดิมก็ไม่ใช่ถ้าเหมือนเดิมก็อวิชชาเข้าได้อีกสิ <c oughs> ใช่ไหม ถ้าเหมือนเดิมก็อวิชชาเข้าได้อีกแต่อันนี้เกิดปัญญาสูงสุดแล้วก็วางแล้วก็เกิดเป็นพุทธะแล้วไม่มีทางหวนกลับมาเข้าล่องเดิมอีกคือไม่ไม่โดนอวิชชาหลอกให้โง้อีกแล้วจิตคือพุทธะทีนี้คําว่าพุทธะก็คือว่าจิตกับพุทธะก็คือสภาพรู้ตื่นที่แจ่มแจ้งเป็นพระอารหันต์นั่นแหะ ดังคำว่าทั้งหมดที่ได้ยินก็คือสภาพที่จิตหลุดพ้นแล้วมีใครเข้าคอสมักคานุคาตอนที่ยัวพุทธตอนมกรามไหมในที่นี้มีไหม 1, 2, 3, 4, 5, 6, ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนผมจำได้ว่าในคอสนั้นเนี่ยในวันแรกๆผมผม ผมพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของตัวกูสักกายทิฏฐิอะไรทุกอย่างลืบๆอะไรเนี่ยผมก็รู้สึกว่าคนในคอสฝั่งไม่รู้เรื่องแล้วผมก็บอกว่าลองดูอยู่ไปอีกสี่วันน่าจะฐานจินปรับนะ ท่านจะฟังวันแรกรู้เรื่องเพรฉะน้นวันนี้ที่เราเปิดไปเนี่ยก็อาจจะไม่รู้เรื่องแต่ไม่ได้บอกว่าวันสุดท้ายจะรู้เรื่องแต่อาจจะขอเข้าใจได้ในขณะที่ตั้งแต่ก่อนมาจนถึงฟังไปเมื่อกี้ฟังไม่รู้เรื่อง ทีนี้เราต้องเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งนะเวลาเราฟังนะเพียงแต่สภาพของจิตหนึ่งเป็นสภาพที่ไม่มีใครบัญญัติด้วยคําพูดขึ้นมามันเป็นเรื่องไม่ง่ายนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสภาพที่อยู่เหนือการปรุงแต่งอยู่เหนือรู ป, ปรธรรมแต่ต้องใช้รู ป, ปรธรรมคือบัญญัติมาอธิบาย จะบอกว่านามธรรมก็ยังไม่ใช่เลยเพราะเลยนามธรรมขึ้นไปอีกมันจึงไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่พูดขึ้นมาก็เพื่อให้เข้าใจหากมีคนถามว่าแล้วอริยมรรคมิลมแปดเป็นโยคกรรมที่พูุทธเจ้าตรัสว่าอันเธอพืงนระทรรมเพื่อให้รู้ว่านิทุกน้เหตุให้เกิดทุกเนี่ยเป็นการปฏิบัติไปเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบไม่ใช่หรอ แล้วทำไมคําสอนจึงผมถึงบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่คําของพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจข้อนี้ก่อนแล้วสภาวะของเซนการเข้าถึงลุถึงเซนใช้การกระแทกวินาทีเดียวแล้วเกิดรู้แจ้งขึ้นมาด้วยปัญญาทันที เพราะฉะนั้นการปฏิบัติในรูปแบบแบบของเส็น